คนจำนวนไม่น้อยเวลาได้ยินคำว่าธรรมะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวบ้างหรือว่าเป็นเรื่องยากบางคนจะรู้สึกคลามนะเพราะว่ารู้สึกว่าธรรมะนี่มันมากมายเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งไม่กล้าไม่อยากที่จะเข้าไปศึกษาหรือทำความเข้าใจ จำนวนไม่น้อยก็รู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมมากแม้กระทั่งคนที่มาสนใจธรรมะแล้วก็อาจะยังมีความรู้สึกหรือความเข้าใจแบบนี้อยู่จริงๆธรรมะเนี่ยถ้าจะสรุปให้กระชับเนี่ยมันก็มีแค่สองเท่านั้นแหลนะถึงแม้ว่าจะมีคกากล่าวว่าธรรมะนี่มีถึงแปมื่สี่พันรรมขันธ์ ที่พระเจ้าทงแสดงแต่ถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยเป็นหลักได้ก็คือมีแค่2อนะอันแรกก็คือจริยธรรมจริยธรรมก็คือธรรมะเกี่ย ว, วความดีคําสอนเกี่ยวกวับความดีอันที่สองคือศัจธรรมคําสอนเกี่ยวกวับความจริงหรือพูดให้สั้นกว่านั้นคือความดีกับความจริงธรรมะนี่มี หลักๆ ก, ก็มีแค่2องน ะ, นะที่เราที่ครูบาอาจารย์สอนหรือว่าที่ภูเจ้าทรงสแสดงวเกือบทั้งหมดก็หนีไม่พ้น2ประเด็นนี้สองเรื่องนี้คือความดีกับความจริงความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะส่วนความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นนะความดีก็เช่นอะไรบ้างก็เช่นนะการ ให้ทานการรักษาศีล น, นี่เป็นเรื่องของความดีที่เราควรทำจริงๆถ้าพูดให้คลุมกว่านั้นนะความดีก็หมายถึงคิดดีพูดดีทำดีคิดดีก็คือคิดอย่างไม่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ถูกความกรดความกลีตัณหาครอบงาพูดดีนะ ก็คือการไม่พูดเท็จไม่ใส่ร้า ย, ายไม่พูดสาวเสียดไม่พูดถ้อยคำที่หยาบคายทำดีนี่อะไรก็คือก็สีนั้นีนั่นเองนะาทำดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะถ้าปรารถนาความสุขอย่างที่พูดไปตั้งแต่วันแรกนะว่าบุคคลเนี่ยเมื่อรักตนเยย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น การไม่เบีเบียนผู้อื่นก็คือการรักษาศีลนั่นเองงั้นถ้าระวังความสุขเนี่ยนะก็ต้องอมั่นคงในศีลซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงการให้ทานด้วยเมื่อเราทำความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลนะอัน น, นี้ก็เรียกว่าช่วยป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้มากมาย สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นกับเราลองคิดดูง่ายๆถ้าเกิดว่าเรานะไปผิดสิงแค่ข้อเดียวนะ่คือข้อสุรายาเมาสิงข้อห้าเนี่ยชีวิตเรานี่ก็คงจะมีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนตามมามากมายเดยเพราะถ้าเกิดว่าถึงขั้นติดเหล้าไหนจะสุขภาพย่ำแย่ ไหนจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องเราแล้วก็ไม่เป็ น, านงานทํางานไม่อยากทํางานเอาแต่นะเมามายยังไม่ต้องพูดถึงว่าการไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นขับรถชนคนอื่นนะถึงกับพิการหรือตายหรือว่าอาจจะไม่ได้ทําร้ายคนอื่นแต่ทําร้ายตัวเอง ครับรถชนสาไฟฟ้าตกคูรถพิกความตายความทุกข์ความเดือดร้อนใจนี่มันจะลดลงไปได้เยอะเลยเพียงแค่เราถือสีนข้อ5ข้อเดียวยิ่งถ้าเราถือสีนอีก4ข้อที่เหลือเนี่ยยงมั่นคงเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันความเดือดร้อนไม่ให้มาถึงตัวได้มากมาย นีคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงหวังความสุขความเจริญนะก็ต้องนะรักษาศีลให้ดีอันนี้ก็เป็นส่วนของการทําความดนะีแต่ถ้าเรานี่ไม่เพียงแต่รักษาศีลถ้าแต่เราทํามากกว่า น, นั้นนะเช่นการให้ทานการช่วยเหลือเออเฟ้อเกือ้อกูลพวกอื่นพวกนี้ก็จาะเป็นศีล น, นะศีลมันเป็นเรื่องของความประพฤติที่ดีงาม หรือถ้าพูดง่ายๆคือทำดีคำว่าทำดีนี่มันครอบคลุมว่านอกจากจะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วนะก็ยังช่วยเหลือเื้อฟื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นด้วยนะทำร้านนี่เรียกว่าครึ่งหนึ่งอะไรก็ได้นะัเป็นเรื่องการทำความดีและทำความดีนะั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกายวาจาแต่ลมใจด้วยนะเมื่อเราฝึกใจให้มีเมตตาอย่างที่เราได้ ทำเมื่อสักครู่หรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับสัพพสัตเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการาคิดดีหรือว่าทำดีที่ใจการฝึกจิตให้มีความอดทนคือขันติมีความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าทำดีเนี่ย ในอริยมรรคมีองค์แปเนี่ยนะมันจะมีเรื่องการทําความดีเยอะเลยสำมากัมมันตะสำมาวาจา่าสำมาอาชีวะสำมาวายามะการฝึกจิตให้มีคุณภาพดีนะเช่นจิตที่มีสมาธินะจิตที่มีสติเนี่ยนะก็เป็นจัดอยู่ในเรื่องการทําความดีได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนก็นึกแต่เรื่องของ การให้ทานกับการรักษาศีลเท่านั้นเพียงแค่เรารู้จักทำความดีเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะทีเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถจะลดได้ร้0เซนนะทำความดีแล้วก็ไม่ได้ ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเลยอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีความดีนั่นเนี่ยเหมือนกำแพงที่ป้องกันอันตรายป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ย น, นเข้ามากระทำย่ำยีบีทาเราได้ศัตรูนี่หมายถึงความทุกข์นะกำแพงแห่งความดีเนี่ยรวมทั้งการทำบุญทำกุศล มันสามารถที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้มาถึงตัวเราได้แต่ไม่สามารถจะป้องกันได้100ร0อเซมันก็จะมีความทุกข์จำนวนหนึ่งนะที่สามารถจะฝ่ากำแพงแห่งความดีหรือบุญกุศลเนี่ยมาถึงตัวเราได้เช่นอะไรนะ <S <S> <S ก็เช่นความแก่ความเจ็บแล้วความป่วยความพัดพลาก รวมทั้งที่ย่อมยาวกว่า น, นั้นเช่นการตำหนิติเตียนการนินทาว่าร้ายอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำความดีนะเราสร้างบุญบุศนมากมายแล้วนี่จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราคนที่เข้าใจแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าคิดผิดละมีหลายคนนะพอเจ็บป่วยนะเป็นมะเร็งก็จะตีโพยตีพายว่า ทำไมถึงต้องเป็นชั้นฉันทําความดีมาตลอดชีวิตชันไม่เคยโกงชันไม่เคยเอาเปรียบเบียดเบีย น, ยนใครยุงก็ไม่ได้ตบทําไมถึงเป็นมะเร็งอันนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นความจริงนะว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องเจอความเจ็บความป่วยทั้งสิน้นดะังันถ้าเราทําแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่า เราไม่ฝึกจิตให้เห็นความจริงเราก็จะทุกข์นะทุกข์เพราะว่าความแก่ความเจ็บซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความแก่ความเจ็บความป่วยเนี่ยมันทําได้อยางมากก็คือทุกข์กายแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอป่วยพอเจ็บแล้วทุกข์ใจไปด้วยเพราะว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงคือไปคิดว่าเนี่ยฉันต้อง มีสุขภาพดีไปตลอดฉันต้องไม่แก่นะฉันต้องไม่ป่วยแล้วคนที่คิดแบบนี้บางทีก็เป็นคนที่ทําบุญเยอะทําบุญเยอะแต่ว่าทําความเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสําคัญผิดไปได้เช่นคิดว่าเมื่อทําบุญแล้วในะชีวิตจะประสบแต่ความสุขความเจริญจะไม่มีจะไม่มีป่วยจะไม่มีความาพัดพลาดสูญเสีย คนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะก็มีเยอะนะซึ่งก็ล้วนแต่เป็นคนที่สนใจฝ่ายทําบุญทั้งสิน้นแต่ว่าถ้าทําบุญแล้วเนี่ยหรือว่าทําดีแล้วเนี่ยไม่เปิดใจฝึกใจให้เห็นความจริง ว, ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละนะ <c oughs> เกิดมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายในที่สุดไม่มีใครหนีพ้น ถ้าไม่เปิดใจเห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยซ้ำกลับไปยึดมั่นถือมั่นว่าหรือมีความคาดหวังที่ผิดผิดว่าทำบุญทำกุศลแล้วนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะอันนี้เนี่ยจะยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อเจอความเจ็บความป่วยเข้าไม่ต้องเป็นมะเร็งนะนะแค่ปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเป็นโรคกระเพาะนะเป็นเบาหวานก็าอาจจะกลุมห อ, อกกลุมใจได้ นะอันนี้เรียกว่าวางใจผิดและที่วางใจผิดก็เพราะว่าไม่ฝึกใจให้เห็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทาความดีไม่ยังไม่พอนะทำความดีดีแล้วนะแต่ยังไม่พอต้องพยายามฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยนะอย่างที่พูดไปแล้ ว, วความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะส่วนความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นเป็นในที่นี้นี่นะมันไม่ใช่ เห็นด้วยตาแต่มันเห็นด้วยใจไม่ใช่แค่คิดเอาหรือรู้นังแต่ว่ามันเรียกว่ารู้ซึ้งทีเดียวที่จังหวัดสุรินทร์นะเมื่อ30สิบกว่าปีก่อนเคยมีไฟไม่ใหญ่ครั้งหนึ่งบ้านเรือนถูกเผาววาดวายกันเป็นเป็นร้อยๆอยหลังผู้คนก็ซิ้นเนื้อประดาตัวกันเป็นพันๆเลยก็มีหลายคนนะมามาตัดพ่อก็หลงปู ด, ด หลวงปู่ดูนี่ท่านอยู่วัดบุรพารามนะท่านเป็นลูกศิษย์รุ่น์เล็ ก, กๆของหลวงปู่มัน่นล้วคนก็ศรัทธานับถือมากก็มีบางคนก็มาตัดพ่อกับท่านโดยตรงบางคนก็ไปตัดพ่อคนตื่นแล้วก็ลูกศิษย์ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องที่ตัดพ่อคือว่าเนี่ยเขาก็ทําบุญมาเยอะนะบางทีทําบางคนที่ทําบุญตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตา ย, ยาย ทำบุญให้วัดกระถิญผ้าป่าก็ไม่เคยขาดพ่อแม่ก็ทำบุญตัวเขาเองก็ทำบุญมากมายแต่ทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองเขาหลายคนึงก็บอกว่าต่อไปไม่ทำบุญและต่อไปไม่เข้าวัดละหลวงพ่อหลวงปู่ท่านได้ยินท่านก็ ก็พูดว่าเนี่ยนะไฟมันทำตามหน้าที่ของมันธรรมะเนี่ยไม่ได้ช่วยคนในลักษณะนั้นนะและท่านอธิบายว่าเนี่ยไอความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพัดพรากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประจำโลกทีนี้เนี่ยเวลาคนมีธรรมะหรือว่าคนไฟธรรมะเนี่ยเมื่อประสบภาวะเช่นนี้เนี่ย ทำอย่างไรจรึงจะไม่ทุกต่างหากนนี้คือหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะป้องกันไม่ให้หิวไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคนไปคาดหวังธรรมะเนี่ยผิดไปคาดหวังประโยชน์จากธรรมะผิดว่าเมื่อทําบุญทํากุศลแล้วหรือเมื่อปฏิบัติทาเช่นการรักษาศีลแล้วนี่จะไม่เกิดความวิบัติความเสื่อมความอันตรธาน น, นั่นเป็นควาเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ภาะวะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาท่าช้ท่านใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ประจําโลกมันไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะคนชั่วคนดีก็เกิดเดี๋ยวว่าแต่คนดีเลยนะทั่วทั่วไปเลยที่ไปปนปุนตตชนม้กระทพระพุทธ เ, เจ้าพระองค์นี่ก็เป็นผู้ที่ไม่เคยคิดรายกับใครนะแต่ก็ยังมีคนมา แต่ก็ยังยังเจ็บยังป่วยแต่มีคนมุ่งร้ายเอาชีวิตอีกนะมีทั้งคนมุ่งร้ายด้วยการใส่ร้ายอย่างเช่นนางจินนมาวิกามีคนที่มุ่งร้ายถึงเอาชีวิต่างเช่นพระเทวทัตนี่ขนาดเราถ้าเราเนี่ยไม่มีใครมุ่งร้ายเอาชีวิตนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะเพราะขนาดพร เ, เจ้าเรียกว่า ความดีเพียบพร้อมทุกประการแต่ก็ยังหนีความแก่ความเจ็บความพัดพลากหรือว่าคนที่มุ่งร้ายหมายเอาชีวิตไม่ได้คนตำหนิติเตียนหลายคนนะเวลาถูกตำหนินะถูกเต่าว่าก็ตัดพาอว่าทำไมฉันทำความดีไม่มีใครเห็นเลยมีแต่คนว่าฉันนะอันนี้เพราะว่าไม่เห็น ไม่ตะหนักว่าเนี่ยมันเนี่ยนี่คือความจริงที่มันอยู่คู่โลกด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยใครที่ปรารถนาความสุขไม่อยากจะให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำย่ำหยีจิตใจเนี่ยนอกจากจะต้องหรือมันทำความดีแล้วนะจะต้องฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยการฝึกใจเห็นความจริงนี่มันช่วยยังไงมันช่วยตรงที่ว่าเมื่อ ความแก่ความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นกับเรามันก็ทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกนะเพราะเรารู้ว่าเอามันเป็นธรรมดาโลกมันเป็นเช่นนั้นเองความจริงที่ควรจะเห็นคืออะไรหรนะือต้องใช้ว่าความจริงที่ต้องที่ต้องเห็นถ้าไม่ปรารถนาความทุกข์นะคืออะไรตัวใหญ่ยยคือ อันนีจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งท ำ, ท, ำทั้งหลายเป็นอนัตตาที่จริงเพียงแค่เห็นถึงเห็นหลึกลึะหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรจรั ง, ย, งยั่งยืนทุกอย่างเป็นอั น, นิจจังเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเห็นต่อไปถึงความจริงอีกสองข้อคือทุกขังอนัตตานี่ก็จะช่วย เป็นหลักประกันทำให้จิตใจเนี่ยไม่วันไหวหรือไม่เป็นทุกข์นะเมื่อเกิดความผันผลลวนเปลี่ยนแปลกขึ้นอันที่จังคือความไม่จีรังความไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปอย่างที่เราได้สาธยายมาสักครู่แล้วถ้าเราดูนั้นก่อนระหว่างการเกิดกับดับระหว่างมีกับหายไปเนี่ยมันจะเกิดความเสื่อมขึ้นระหว่างกลางนะอันนี้เราทุกขัง ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะมีระดับไปทันทีไม่ใช่อยู่ดีแล้วเกิดแล้วดับไปทันทีไม่ใช่มีแล้วหายไปทันทีนะมันจะมีความสวมความเสื่อมเกิดขึ้นในระหว่างกลางที่จริงความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วคือพอเกิดปุ๊บมันก็เริ่มเสื่อมเลยเหมือนกับเด็กทารกที่คลอดออกมานะจากท้องแม่วันแรกนี่มันก็เริ่มแก่แล้วเนะีเด็กทารกเกิด เกิดได้อายุแค่วันเดียวนี่ก็ถือว่าแก่แล้วอย่างน้อยก็แก่กว่าเด็กทารกที่ยังอยู่ในท้องความสื่ความเสื่อมมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดขึ้นมาไ อ, คาอนะ้ความเสื่อมนี่เราทุกขังนะความเสื่อมความแปรปรวนนะแล้วทํำไมมันถึงเสื่อมเพราะมันไม่มีตัวตนของมันเองอันนี้เราคืออนัตตานะ ทำไมถึงทุกข์นะก็เพราะมันเป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนของมันเองถ้ามี ต, ตัวตนที่เป็นอิสระมันก็ไม่มีความเสื่อมแต่เนื่องจากมันต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นพอสิ่งอื่นแปรปวนมันก็แปรปวนแล้วมันก็เสื่อมไปด้วยนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากความไม่เที่ยงความไม่จรลังเนี่ยพิจารณามองให้ลึกก็จะเห็นทุกข์ขังก่อนที่ มันจะดับไปมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นก่อนมันมีความแก่ความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นก่อนและถ้าเราพิจารณาทุกขังก็จะพบตัวอนัตตาพบความจริงเรื่องอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนที่เป็นของมันเองมันต้องพึงพาอาศัยสิ่งอื่นเรียกว่ามันต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นพอสิ่งอื่นแปรเปลี่ยนไปมันก็ต้องมีการเป็นไปตามไปด้วย ไม่ช้าก็เร็วการที่เราเห็นความจริงนะอย่างาเรียกว่าถึงใจถึงจิตถึงใจนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปคาดหวังผิดผิดไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ร่างกายนี้นะจะต้องหนุมต้องสาวจะต้องมีสุขภาพดีไปตลอดจะต้องมีกำลังวังชา อย่างนี้ไปตลอดเราจะไม่คาดหวังอย่างนั้นเมื่อเราเห็นผมงอกเราเห็นหน้าตาผิวพรรณเยว่ย่นนะเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันและในธรนมงเดีวกันเมื่อเจอความพัดพรากสูญเสียเงินหายไปถูกโกงไปนะแก้ไว้งเงินทองนะ ผู้คนขโมยไปเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาโลกนะมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างมาอยู่กับเราเพียงชั่วคราวไม่มีอะไรที่เราจะยึดว่าเป็นของเราได้เลยให้สิ่งเหล่านี้นความจริงแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรานึกเอาหรือว่าฟังธรร ม, มนะนมันแต่มันเกิดจากการที่เราได้ ได้ใต่ตรองจากความจริงที่เกิดขึ้นคือต้องเจอเองเนี่ยมันถึงค่อยๆถึงค่อยๆซสมทราบนะในความจริงเหล่านี้ใหม่ๆ ใ, ใจมันก็ต่อต้านนะพอร่างกายเราเริ่มแก่ทีแรกใจเราก็ต่อต้านนะแต่ว่าต่อไปใจมันก็จะยอมรับความจริงได้ เวลาของหายอันที่แรกก็จะเสียใจแต่ว่าพอเกิดขึ้นบ่อยๆและเรารู้จักใจตรองเราก็จะได้เรียนทำรรเข้าใจความจริงจากสิ่งนั้นเมื่อปี5้ีก็มีหลายมี เ, เหตุการณ์ทุกภัยนะสุทัศน์ภัยเกิดขึ้นพวกเราก็รู้ดีหลายคนก็ได้รับผลกระทบคนจำนวนไม่น้อยก็สูญเสียทรัพย์สินไปที่ถึงกับสิ้นเนื้อประดายตัวก็มาก หลายคนมีความทุกข์แต่มีบางคนที่เขาทำใจได้ยังมีคนหนึ่งเขาเขาก็ได้บทเรียนนะจากเหตุการณ์นี้บทเรียนนั่นคืออะไรบทแร่มนั่นก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะอุทกภัยครั้งใหญ่นั้นทำให้เขาได้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเขาเลยทุกอย่างนี่มันมาอยู่กับเขาเพียงแค่ชั่วคราวและวันดีวันดีคืนดี มันก็หายไปถ้าไม่ถูกอุทกภัยซัดพาไปก็ จ, จะมีคนเอาไปหรือว่ามันก็เสื่อมสลายตามธรรมชาติของมันเองแต่ถึงยังไงนะถึงแม้จะรักษามันได้ในสุดมันก็ต้องไปจากเราหรือไม่เราก็ต้องไปจากฟันเช่นพอถึงมันที่เราตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราเคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วมันกลายเป็นของอื่นของคนอื่น เป็นของทายาทเป็นของลูกไปแล้วนะในอินเดียสมัยพุทธกาลนี่ถ้าไม่มีลูกนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็จะตกเป็นของของหลวงนะพระราชาก็จะขนเอาไปกลายเป็นของพระราชาไปละไอ้คำว่าของเราของเราเนี่มันแค่สมมุตินะมันไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะถ้าเป็นของเราจริงก็ต้องเอาไปได้แม้กระทําป่าะโลกหรือโลกตาฉะั้นถ้าเราเห็น ถ้าเราไตรตรองเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงนะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะถึงบอกตั้งแต่วันเมื่อวันซสาว่าเนี่ยนะจะเห็นทําได้ต้องเจอทุกข์นะแต่ถ้าเจอทุกข์แล้วเจอไม่เป็นมองไม่เป็นนี่ก็ก็เหมือนกับตกนรกนะแต่ถ้ามองเป็นนะก็จะพบธรรมะและธรรมะก็จะช่วยยกใจของเราให้สูงขึ้นจนกระทั่งความทุกข์มัน เข้ามาครอบคำครอบงำย่ายีไม่ได้นั้นการเห็นความจริงสำคัญไม่ว่าเราจะเจอทุกอะไรมาก็ตามนะทันทีที่เรามองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยใจจะเบาไปได้เยอะเลยมีคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่ปากนะเหมือนมะเร็งที่ใบหน้ามะเร็งชนิดนี้ เ, นเกิดขึ้นได้ยากนะแต่พอเกิดขึ้นแล้วนี่มันมันร้ายกาจมาก เพราะว่ามันเจ็บปวดแล้วก็ทำให้อับอายมากไม่มีทางปิดบังซ่อนเล่นเลนเลยในอเมริกาคนที่ค่าตัวตายเพราะเพราะมะเร็งชนิดนี้เนี่ยมีถึง 25% นผู้ชายคนนึ่งก็เป็นมะเร็งที่ใบหน้ามันกินใบหน้าเขาหายไปกินจมูกบางส่วนแล้วก็ปากบางส่วนแต่ว่าเขาไม่มีอาการที่ เขามไม่มีความทุกข์กราดเกลียวเหมือนคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ส่วนใหญ่ปกติคนมะเร็งที่เป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะต้องเก็บตู่ในบ้านไม่ใช่เพราะอายเท่านั้นนะแต่เพราะว่าถ้าไปเจอแสงแดดแรงๆแล้วเนี่ยมันจะปวดระบบประสาทเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดแล้วก็รุนแรงมากมต้องเก็บตู้ในบ้านแล้วก็มีม่านคอยกันแดดเอาไว้ เพราะนั้นภายในบ้านก็จะบรรยากาศก็จะทึม ถ, ถไม่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วถ้าอยู่ไปนานๆก็ จ, จะเป็นโรคซึมเศร้าได้คนก็ไม่อยากจะมาหาแต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่ไม่มีอาการอย่างนั้นหมอที่มาเยี่ยมก็แปลกใจนะเนาะทำไมนะถึงไม่มีอาการกราดเกลียวหรือเป็นทุกตีโพตีพายกระสับกระสายเลยก็ได้ความจริงว่าเนี่ยเป็นเพราะเมื่อแต่ก่อนนี่เขาชอบกินเหล้าเมา เมาอยามากจนกระทั่งครอบครัวก็แตกแยกลูกก็ต้องไปอยู่กับเมียเขาไมา่ได้ย้อนเราลึกถึงพฤติกรรมในหนหลังเนี่ยอันนี้จะเรียกว่ากรรมเก่าก็ได้นะไอ้กรรมที่ทำในอดีตนเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วย0ปีที่แล้วก็เรกเป็นกรรมเก่าเขาพิจารณาดูเออเขาก็ยอมรับได้ในที่สุดว่านะไอ้มะเร็งนี่มัน เขาเรียกเขาสมควรแล้วเพราะว่าประพฤติตัวไม่ดีแต่ว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขายอมรับกับโลงนี้ได้นะไม่ทุรนทุรายก็เพราะเขาเล่าว่าวังวักทุกทุกวันเนี่ยเขาจะกิจวัตรหนึ่งที่เขาทําเป็นประจําคือการดูโทรทัศน์ไม่มีอะไรทำเนี่ยนอกจากวาดรูปแล้วก็ดูโทรทัศน์ แล้ช่องที่เขาดูไปประจำคือ CNN CNN นี่มันก็โดยแล่วแต่มีข่าวคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติโลงระบาดน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวนะสงครามเขาดูไปดูไปเขาก็ได้คิดเลยนะเออความทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกจริงๆมันทุกๆคนเนี่ย ไม่ว่าชาติใดภาษาใดเรแล้วแต่เจอความทุกข์ทั้งสิ้นต่างกันตั้งแต่ต่างกันก็ตรงที่ลักษณะของความทุกข์ก็พิจารณาไปก็ก็เลยเห็นว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยคือการเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลกงาคือเขาเห็นว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมะประจําโลกก็ได้ถ้าพูดภาษาของปู ด, ดุน เขาก็เลยทำใจได้ก็เลยไม่ตีโพยตีพายยอมรับความจริงได้ในการที่เขายอมรับความจริงได้มันช่วยลดความทุกข์ใจไปได้เยอะเลยเลยแต่ความทุกข์กายแล้วความทุกข์กายนี่ก็เป็นสิ่งที่พอทนไหวถ้าใจไม่โวยวายตีโพยตีพายซะก่อนเขาก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็หวังแต่เพียงว่าทำทำตัวพยายามอยู่ให้ได้นานขึ้นเพื่อได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นในการที่เขารักษาใจ ไว้ดีเพราะยอมรับความจริงก็ทําให้เขาอยู่ได้นานหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเขาก็อยู่ได้เป็นปีตอนที่อยู่ก็ไม่ได้ทุกทรมานตอนตายก็ไม่ได้ทุรนทุรายไปสงบอันนี้ก็เพราะว่าเห็นความจริงยอมรับความจริงได้นะท่านทําความดีไม่พอนะต้องต้องฝึกใจเห็นความจริงจนยอมรับความจริงได้เนี่ยความทุกข์มันถึงจะมา รบกวนน้อยลงหรือถ้าเห็นความจริงถึงขั้นระดับพระริยเจ้านี่ความทุกข์ใจก็ไม่มารบกวนเลยก็มีแต่ความทุกข์กายอย่างเดียวแต่ใจไม่ทุกนะเพราะว่าเห็นความจริงนอกจากเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยนะการเห็นความไม่เที่ยงของโลกธรรมที่ก็สำคัญนะอย่างพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกต้องอยู่กับโลกต้องทมากินต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ย แม้อาจจะยังไม่เข้าใจใจรักอันนี้จังทุกข์อนัตตายังไม่เห็นซึ้งนะถึงใจนะแต่ว่าการที่เราได้เห็นความจริงว่าโลกธรรมไม่เที่ยงนะอันนี้ก็สำคัญมากโลกธรรมนี่มันมีแดอย่างนะก็คือการมีลาบเสื่อมลาบนะมียศเสื่อมยศสารเสริญดินทาแล้วก็สุขกับทุกข์มันจะเป็นของคู่กัน มีบวกกับลบขึ้นกับลงง่ายๆเนี่ยขึ้นกับลงบวกกับลบได้กับเสียอันนี้เป็นธรรมดาโลกนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะเวลาเราอ่ามีอะไรไปมีอะไรแล้วก็สิ่งนั้นก็เสียไปพัดภาไปแล้วก็ไม่ถุกเพราะเรารู้ว่าเออมีราบกับเสื่อมราบนี่ของคู่กันหรือว่าเวลาเราถูกตําหนิถูกนินทานเนี่ย เราก็ไม่ทุกนะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาโลกสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันเดี๋ยวนี้บางคนจะเป็นจะตาให้ได้นะเวลาเพื่อนเวลาพบว่าตัวเองถูกอนะันเฟรนนัน Facebook มีคนอันเฟรนตัวเองนี่โอ้เสียใจมากเลยฉันทำอะไรผิดนั้นเนี่ยฉันก็ทำความดีมาทำไมก็อันเฟรนฉันทำไมก็ไม่ครบฉันอันนี้พราะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะ สารเสริญกับนินทาคนที่เขามาเป็นเพื่อนกับเราเขาก็สามารถที่จะถอนความเป็นเพื่อนจากเราได้อะไรที่ให้กับเราก็สามารถที่จะถอนออกไปได้ชื่อเสียงเขาให้เราเกียรติยศเขาให้เราเขาก็สามารถที่จะดึงไปจากเราไดนะ้เพราะใหนะ้การให้กับการเอาไปนี่มันของคู่กันนะ mm hmm. เช่นเดียวกับการมีกับการหมด การพบกับ ก, บการพลาดการเจอกับการจากวันนี้ของคู่กันเมื่อเราตระหนักว่าเป็นของธรรมดานะเป็นของคู่กันเนี่ยพอมันเกิดขึ้นพอฝ่ายลบเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์และขณะเดียวกันพอมีคนสรรเสริญเราเราก็ไม่ยินดีเพราะเราก็รู้ว่าวันนี้เขาสรรเสริญผู้นี้ก็อาจจะตำหนิก็ได้นะวันนี้เขาชื่นชมเราผู้นี้ก็อาจจะนินทาเราก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คนเดียว ที่ทำเช่นนั้นในกอสารเสริญแต่ในขอตําหนินินทาเราก็ได้เราก็จะไม่ปราบเพื่กับความกับคําสารเสริญถ้าเราไม่ปราบเพื่อกัสารเสริญพอนินทาเราก็ไม่ทุกหรือเวลาเราได้อะไรใหม่มาเราก็ไม่ดีใจมากเพราะเรารู้ว่าไม่นานมันก็หายไปเสื่อมไปหรือมีคนออกไปอันนี้คือการเห็นความจริงนะที่เราพึงตระหนักนะ หรือว่าย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอรวมทั้งเอามาเตือนใจตัวเองเวลาสูญเสียเวลาถูกตําหนินะก็บอกกับตัวเองว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาโลกมันเป็นของคู่กันในโลกนี้มันเป็นของมันมีของคู่กันมากมายนะซึ่งเราต้องรู้ทันโดวยวเรื่องการพบกับพรากเจอกับจากมีกับหมดเนียชมกับตําหนิ ชอบกับชังเนี่ยนี่เป็นธรรมดาโลกที่เราต้องตระหนักต้องเข้าใจเราถึงจะไม่เสียผู้เสียคนหรือว่าไปหมดไม่หมดเนื้อหมดตัวไปกับไอความพันปวนแบบนี้บอกตัวงว่าเป็นธรรมดาเขาชมเรามันก็เป็นธรรมดาเขาตําหนิเราก็ธรรมดามีคุณยายคนหนึ่งนะสอนหลานให้ให้หุงข้าวนะ สมัยก่อนไม่มีม้อไฟฟ้านะั้นต้องหุงข้าวแบบแบบชาวบ้านนั่นนะหลานก็ตัวเล็กนะก็ตั้งใจหุงปรากฏว่าวันแรกข้าวไหมหลานก็เสียใจนะยายก็บอกหลานว่าเออมันธรรมดามันหุงด้วยไฟเนี่ยมันก็ต้องไหมบ้างเป็นธรรมดาวันต่อมา หลานก็หุงข้าวอีกน ะ, ะกบอกว่าคราวนี้ไม่ไหมนะแต่มันแฉหลานก็เสียใจยาย ก, ก็บอกไม่เป็นไรมันธรรมดาหุงด้วยน้ำเนี่ยนะให้ข้าวแฉกข้าวไม่นี่มันธรรมดานะเพราะว่ามันหุงด้วยน้ํากับหุงด้วยไฟแฉก็ธรรมดาไหมก็ธรรมดานี่มันเป็นธรรมดาโลกนะให้การมีกับหมดพบกับพลา เจอกับจ้านี่ก็ธรรมดาเหมือนกันธรรมดาในแง่ที่ว่ามันเป็นความจริงนะที่ไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการนะการเตือนใจหรือการฝึกใจให้เห็นความจริงไม่ว่าจะเรื่องใจรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความพันผนแปรปรวนของโลกธรรมเนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องฝึกนะ เราปรารถนาความสุขแม้ว่าไอ้ความความทุกข์กลายเป็นสิ่งที่ห้ามยากสักคนหนึ่งก็ต้องเจอแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเราสามารถที่จ ะ, ะยกจิตให้เหนือมันได้ที่นี่เนี่ยจะมีการสวดนะบทหนึ่งนะอยู่เป็นประจําชื่อบทอภินิหาปัจจเวกเป็นเรื่องความจริงนะหประการที่ต้องพิจารณาอยู่เสมอ อสี่ข้อแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับที่พูดมาโดยตรงเลยนะคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเพ้นความแก่ไปไม่ได้นะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงเพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้คือความจริง5้ประการนะที่เราควรจะเป็นมันพิจารณาหนึ่งเนือง โดยเพราะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาก็เออมาสอนใจเราทราบว่าเนี่ยไอ้ความพัดพราก ง, งเป็นธรรมดานะหนีไม่พ้นนะถ้าเราพิจารณาไม่ใช่แค่ท่องจำเท่านั้นนะใจเราก็ค่อยยอมรับความจริงไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะอ่ามีลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเราก็ปล่อยวางได้งั้นเวลาพูดคำว่ายอมรับความจริงยอมรับความจริงเนี่ยนะบางทีมันนามธทํานะ อย่างที่เมื่อวานนี้พวกเราหลายคนก็พูดว่าเนี่ยการที่จะช่วยทําให้สุขอย่างยืนนะั่นคือการยอมรับความจริงแต่ยอมรับความจริงยอมรับอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ที่พูดมาเนี่ยสำคัญนะที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะรักษาใจสามารถที่จะทําใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความผันผลลวนป่ยนแปรซึ่งมันเป็นเรียกว่าธรรมะประจําโลก เอาละชับนี้ก็บกืนท่นนี้นะกาพร้อมกัน